ในเรื่องของมนโนกรรมมนโนกรรมนั้นกล่าวถึงอภิชา อ, อ, อภิชาพยาปาทะและก็มิจฉาทิฐนะิอภิชานั้นเป็นเชื่อของโลภะเจตสิกแต่ว่าโลภะเจตสิกที่มีกำลังถึงกับร่วงกรรมบทเรียกว่าอภิชาในกรรมบท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 โอ้หนอสิ่งนี้พึงเป็นของเรานะเช่นโอ้เห็นวิทยุเขางามจังเลยอะแล้วก็น้อมมาให้มันเป็นของของเราอย่างเงี้ยนะเห็นแว่นตาเห็นนาฬิกาเห็นอะไรเขางามอย่างเงี้ยเราก็นึกน้อมเข้ามามาเป็นของเราด้วยอํานาจอกุศลอันนี้แหละเป็นลักษณะของอภิชาถ้าเห็นและชอบใเฉยๆก็ก็เป็นอภิชาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่ถึงกับครบองค์หรือล่วงกรรมบด ทีนี่โทษของอภิชาความคิดที่เพ่งแรงนั้นกล่าวว่าชื่อว่ามีโทษน้อยและโทษมากก็เหมือนกับอธินาทานนะดูรายละเอียดในเรื่องอธินาทานอภิชานั้นมีองค์ประกอบอยู่สองอย่างก็คือประพันดังเป็นสิ่งของของบุคคลอื่นแล้วก็อัตโนปรินามนันจะน้อมมาเพื่อตนนะกวว่าเห็นปุ๊บเนี่ยน้อมเข้ามาหาเราเลยลักษณะนี้เป็นอภิชาล่วงกรรมบทนะ ให้ผลนํ้ำเกิดไดไ้แค่คิดก็บาปซะแล้วเนาะที่จริงเมื่อความโลภในวัตถุของผู้อื่นแม้เกิดขึ้นแล้วกรรมบทก็ยังไม่แตกไปก่อนไปเห็นความงามของของข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปนะสมมติถ้าหากว่าเราไปในห้าง ป, ปรรสินค้าเนี่ยไปลักษณะเห็นก็เออมันสวยดีอ่ะนะถ้าลักษณะนี้ก็ยังไม่ถึงกับเื่วงกรรมบทอะไร แค่แค่เห็นว่างามใช่ใช่ทีนี้จนกว่าว่าเขาก็น้อมมาเพื่อตนด้วยคําว่าโอ้หนอวัตถุนี้พึงเป็นของเราน้อมเข้ามาหาตัวเองด้วยอํนนานาจจิตที่เป็นอกุศลนั่นแหละเป็นอภิชานะั้นอภิชานั้นก็คือโลภะเจตสิกนั่นเองนะถ้ามันมีกําลังแรงนี่ก็ถึงกับเรื่องกรรมบกได้ นะส่วนเรื่องของโลภะนั้นโดยละเอียดละเอียดเราคงมีโอกาสได้เรียนกันครั้งอนาค ต, ตการนะาไม่จุติปฏิสนธิกันสัก่อนในเรื่องของอภิชานั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงไว้ค่อนข้างมากเพราะว่าอภิชานี้เป็นสมุทัยสัตวนะ์เป็นโลภะเป็นตัวที่นาเกิดในภพต่อๆไป ซึ่งรายละเอียดค่อนข้างมากทีนี้ไปหาพยาปาทะเลยนะสภาวะธรรมที่ยังประโยชน์เกือ้อกูลและความสุขให้พี่นาฏไปชื่อว่าพยาบาทนะแสดงว่าไม่ปรารถนาความสุขความเกือ้อกูลให้แก่สัตว์อื่นนะ่ะนะพยาบาทนั้นมีความมุ่งร้ายเพื่อให้ผู้อื่นพี่นาฏเป็นลักษณะเคยไหมคล้ายๆกับคิดแช่งชักหกักกระดูกันนะออลักษณะนี้แหละเป็น พยาบาทมีโทษน้อยและมีโทษมากก็เหมือนกับพุทธสวาจารพรุทธสวาจานี้แค่คำด่าเฉยๆใช่ไหมด่าสะใจเฉยๆแต่ถ้าพยาบาทก็น้อมไปเพื่อความพินาศนะถ้าทั้งด่าด้วยมุ่งความพินาศ ด, ด้วยก็เป็นลักษณะของพยาบาทที่ล่วงทาง ว, วจีนะเช่นรถบาดหน้าเราป้าดาา แล้วก็แช่งชักขักกระดูกเลยเนี่ยตรงนั้นเป็นพยาบาทที่ล่วงมาทางว่าจีถวรแต่ถ้าด่าเฉยๆเนี่ยนะก็เป็นพยาผู้สวาจาเช่นคำาำสารากบางอย่างออกมาเนี่ยนะพุ่งออกมาเลยเปรียบเทียบกับสัตว์ดิรัชานเป็นต้นอันนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทผพฤสวาจาแต่เขาบอกว่ารถเครื่องปาดหน้าป้า เ, นะเชิญให้ไปจุติปฏิสนธิทันทีเลยในขณะนั้นเป็นลักษณะของพยาบาทที่ล่วงมาทางมัจจิกรมอันคนเนี่ยทำกรรมประเภทนี้ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นนะบางทีเนี่ยเห็นเป็นความถูกต้องด้วยซ้งไปหลายครั้งที่เทสมานเนี่ยนะนั่งรถกับกับบางท่านเวลาเขาขับรถไป เวลารถปาดหน้าส่วนใหญ่เขาจะรักษาสุขภาพจิตไม่ค่อยได้แหละป่วยทางเจทางใจด้วยทางวาจาด้วยคาพูดก็เสียหายนะซึ่งคำพูดเหล่านั้นล่วงกรรมบด ท, ทั้งนั้นเลยบางคนเนี่ยไปแล้วก็ยังด่าเขาอยู่นั่นแหละแชงชักหักกระดูกเขาตามไปนั่นแหละมันกรรมมันก็ทาไม่ยากเนะนาะนรกมันก็อยู่ใกล้ๆเหมือนกันจนกระจนสำนวนเขาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกก็ อยู่ในใจแต่ถ้าไม่มีใจประเภทนั้นแล้วก็นรกมันก็ไม่มีรอกถ้าไม่มีใจดีๆสวรรค์มันก็ไม่มีรอกมันก็ไปจากจากใจอะเนาะแล้วแต่ใจจะน้อมไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใจที่ที่ดีก็สุขคติก็หวังได้แต่ถ้าใจที่ชั่วใจที่ร้ายนะไม่แช่งก็ตกนรกไม่นานนะเดี๋ยวแค่ น, นั้นแหลปะปฏิสนธิเกิดพบใหม่เนี่ยนะ<ม>กับพิพตาเนี่ยัง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 หนึ่งสัตว์อื่นสองความคิดที่จะให้สัตว์นั้นพินาศโทษร้ายแรงมากส่วนมิจฉาทิถีนะเลยไปหามิจฉาทิถีเลยเรื่องโทสะเรื่องพยาบาทเป็นต้นพร้อมทั้งอุบายระงับโทสะก็เอาไว้ว่ากันทีหลังต่อไปว่ามิจฉาทิถีนี่ธรรมชาติที่ชื่อว่ามิจฉาทิฐีเพราะอาจว่า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 ที่เรียกว่าทิฏฐิความเห็นอันนี้มากๆก็มีโทษมากถ้าหากว่าซ่องเสพความคิดเหล่านั้นน้อยก็โทษน้อยหน่อยอีกอย่างหนึ่งอนนี้ญาตะมิช้าทิฏฐิมีโทษน้อยนญยติมิช้าทิฏฐิมีโทษมากคือทิฏฐิที่ดิ่งลงไปเลยเนี่ยมีโทษมากแต่ไม่ถึงกับดิ่งลงไปก็มีโทษน้อยอันมิช้าทิฏฐินี่มีองค์สอง คือเรื่องทั้งหลายวิปริตจากอาการที่ถือเอาเช่นสมมติถพูธรรมดาก็คือมันขาวแต่เราไปบอกว่ามันดำอย่างเงี้ยใช่มมันดำแต่เราไปบอกว่าขาวคนวิปริตจากความจริงแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะมิชา ท, ที่นั้นเป็นไปกับเช่นทานการให้เนี่ยมีมีผลนะเจตนาในการให้มีผลแต่เขาคิดว่าเจตนาที่ให้ไม่มีผลนะก็คือไม่เชื่อว่าการให้ทานเนี่ย เป็นบุญจริงการรักษาศีเนี่เป็นบุญคือที่ที่ปฏิเสธผลของบุญเหล่านั้นด้วยลักษณะนี้เป็นลักษณะของมิจฉาทิฐินะปฏิเสธแม้กระทั่งว่าพ่อแม่มีบุญคุณเป็นต้นอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของมิจฉาทิฐิบรรดามิจฉาทิฐิเหล่านั้นกรรมบดย่อมแตกไปเพราะนักธิกะทิฐิอเหิตุกะทิฐิและอกิริยะทิฐิเท่านั้น กรรมบดย่อมไม่แตกไปเพราะทิฏฐิอื่นๆนะทิฏฐิสามอย่างนี้ทำให้กรรมบทแตกทีนี้ลองมาฟังพระสูตรบ้างเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องมิจฉาทิฏฐิคงผ่านไปก่อนแต่ก็ในสูตรนี้ก็เกี่ยวกับอกิริยะทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสามตะกูลอกิริยะทิฏฐิข้อความในอังคุตระนิกายติกานิบาศ มหาวัคทีสองติดทศูตรว่าด้วยอกิริยะทิฏฐินะกล่าวถึงลัทธิเดรธิสามอย่างด้วยกันนะทิฐิทั้งเรื่องนี้น่ า, นาเป็นพระสูตรที่น่าสนใจนะทำให้เห็นความแตกต่างของศาสนาอื่นด้วยทำให้เห็นความเด่นชาติของพระพุทธศาสนาด้วยนะในพระสูตรนี้ ในติดทสูตรอังคุตรนิกายติกานิบาตพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูน์ทั้งหลายลทัทิเดรถีสามอย่างนี้ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายซักไซไล่เลียงสืบไปนะคือถามเท่าไรเท่าไรก็คงยืนตัวอยู่ในหลักอากิริยาอากิริยาก็คือปฏิเสธการกระทำนั่นเองลทัทิของเดรถีสามเนี่ยคืออะไร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 สุขเวทนามีห2บสองดวงเนาะโอ้เก่งมากทุกเวทนามีสดวงนะทุกเวทนามีสามดวงอุเบกขาเวทนามีห้าสิบห้าดวงนะอย่าถามต่อกัแล้วกันใช้ได้นะเพราะในสุขทุกสามอย่างนี้เนี่ยนะละทัทธิเดรธีเขาเข้าใจว่าได้รับเพราะกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุ ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบขาเวทนาเนี่ยเกิดจากกรรมกรรมเก่านะมีกรรมเก่าทั้งนั้นเป็นปัจจยัยนี่นที่หนึ่งนะหลักอกิรรยาทิฏฐิข้อที่หนึ่งสองก็บอกสมณะพรามพวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกขหรือไม่ทุกไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะพระผู้เป็นเจ้าคือพระอิศวรเนี่ยสร้างสรรค์ให้ทั้งสิน้น เป็นเหตุก็เรียกว่ายกถวายพระเจ้าไปเลยว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เสกสรรให้นะเป็นคนเนรมิตรเป็นผู้บรรดาลให้นะบรรดาลให้เราสุขบรรดาลให้เราทุกบรรดาลให้เราเฉย น, นะนี่ก็ข้อที่สองก็สามก็บอกว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาท่อย่างนี้ มีทิฏฐอย่างนี้ว่าได้ร right. ับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีเหตุไม mm ่มีปัจจัยทั้งสิ้นนะคืออยากจะสุขมันก็สุขมันเองอยากจะทุกข์มันก็ทุกข์มันเองดีใจมันก็ดีใจมันเองเฉยๆมันก็เป็นมันเองอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณ์ที่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งทั้งสามอย่างนั้นก็ชื่อว่าเป็นความเห็นผิดทั้งหมดเลย ดูกรพิสูจนทั้งหลายสมณพราหมณ์สามพวกนั้นพวกที่มีวาทะอย่างนี้มีทิเทิ อ, อย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรื อ, รอไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึง่งได้รับเพราะกรรมเก่าที่ทำไว้ในปางก่อนทั้งสิน้นะพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี้เข้าไปถามสมณพราหมณ์พวกนั้นอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข ไ, ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับเพราะกรรมที่ทาไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นจริงหรือนะคือพระพุทธเจ้าก็เข้าไปถามนะพอเราถามอย่างนี้แล้วเขาก็ยังยืนยันอยู่นะยืนยันว่ายังไงยืนยันว่าสุขหรือทุกข์หรืออุเบกขาเนี่ยนะ อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีกรรมเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนทั้งสิ้นเป็นเหตุอันนะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยตรงกับคําสอนไหมดูเหมือนจริงเลยเนาะใช่ไหมเออเราจะสุขจะทุกข์ก็แล้วแต่กรรมนะดูเหมือนใช่เลยเนาะฟังเลยเหมือนเหมือนอันนะถ้าทองเนี่ยเหมือนทองเนี่ยเอาไห ม, ไมเหมือนข้าวเนี่ยแอปเปิ้ลเนี่ยเหมือนแอปเปิ้ลพลาสติกอย่างเงี้ยเหมือนแอปเปิ้ลเลยอย่างเงี้ย อะไรก็ตามถ้ามันเหมือนนะไม่ใช่ความเห็นอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนใช่เลยก็แสดงว่าไม่ใช่ดงนะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าเราก็กล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และคนเสพกรรมก็จะต้องเป็นเพราะกรรมกรรมกรรมเก่าที่ทำไว้ในปางก่อนเออคนไปลักเล็กขโมยนอยทั้งฆ่าทั้งผิดศีลผิดธรรมนี่ก็เพราะกรรมเก่าใช่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 คือกรรมเก่ามาเป็นสาระนะเอาแต่กรรมเก่าอย่างเดียวเป็นสาระคือเป็นข้อสาคัญฉันทะคือความพอใจใคร่ที่จะทำหรือความพยายามความเพียรเพื่อจะทำกรณียกิจหรืออการณียกิจก็ไม่มีนะเรียกว่าพอยกให้กรรมเก่าไปแล้วก็คล้ายๆกับบางคนเนี่ยนะเกิดมาก็เชื่อหลักกรรมกรรมที่ผิดแบบนี้นะแซ่ก็นอนอในอดีตนะ ถ้าหากว่าเราเคยทําเหตุทํากรรมให้รวยเราก็คงรวยก็เลยนอนเดี๋ยวราษฎรมาเกยเองนะอ่ะนะแต่ครพวกเนี้ยเรียกว่าถือกรรมเก่าแบบไม่รู้ไม่เข้าใจหรือว่ายกให้กรรมเก่าไปหมดแล้วว่าเอ๊ะกรรมเก่าให้ผลยังไงก็ไม่รู้หลักสักอย่างนอนให้รวยนะนอนฝันหวานแบคนเมื่อหิวๆอย่างเงี้ยฝันหวานว่ามีคนเอาเข้าวมาป้อนให้อย่างเงี้ยอันนี้ลักษณะที่ยกให้กรรมเก่าแบบ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 ดูการพี่สูจทั้งหลายสมณะหรือพราหมนะเราที่มีทิฏฐิ ị, specific, in, อย่างนี้ว่ามีทิฐิมีความเห็นอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่ไมสุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับเพราะพระผู beauty, ้ <entrepreneur S 2> เป็นเจ้าสร้างสรรค์ให้ทั้งสิ้นเราก็เข้าไปหาสมณะพราหมณ์เหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายได้ยินว่าท่านทั้งหลายมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุข หรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขได้รับเพราะ พ, พระผู้เป็นเจ้านะเพราะพระเป็นเจ้าเนี่ยสร้างสรรค์ให้ทั้งสิน้นจริงหรือเราถามอย่างนี้แล้วหากเขายังยืนยันอยู่เราก็กล่าวกับเขาว่าถ้ากันนั้นคนฆ่าสัตว์นะคนฆ่าสัตว์ก็พระเจ้าใช่ไ้ยสร้างให้อ่ะคนรักทรัพย์ก็พระเจ้าสิสร้างให้คนเสพกรามก็พระเจ้าน่นทให้เจ็บนะคนที่พูดเท็จก็เพราะ พระเจ้าอ่ะใช่ไพูดซอเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอก็พระเจ้าใช่ไหมสร้างหรือว่าคนที่มีอภิชามีพยาบาทมีมิจฉาทิฐิก็ต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างสรรให้ทั้งสิน้น เ, เมื่อถือการสร้างเอาแห่งพระเป็นเจ้ามาเป็นสาระฉันทาหรือความพยายามเพื่อจะทำกรณียกิจหรืออาการณียกิจก็ไม่มีเรียกว่ายกให้ผู้บรรดาลผู้เสกสรรไปสมดุด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 คือเป็นการแก้อย่างหนึ่งมันกัดว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมมติหรอกนะดูก่อนที่สูทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่าที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าบุคคลได้รับสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้รับโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทั้งสิ้นลอยๆอ่ะนะอยู่ๆมันก็สุขมันเองอยู่ๆมันก็ทุกข์มันเองอยู่ๆมันก็เฉยมันเอง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 สอเสียดพูดเพอเจอพูดสำรากก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยใช่ไหมนะคนมีอภิชาคนมีพยาบาทคนมีหรือว่าคนเป็นมิชาทิฏฐิก็เกิดจากเกิดขึ้นลอยลอยใช่ไหมนะก็เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีปจัจจัยเมื่อถือเอาความไม่มีเหตุมาเป็นสาระฉันทะหรือความพยายาม เพื่อจะทํากรณียกิจหรืออักกรณียกิจก็ไม่มีเมื่อกรณียกิจและอักกรณียกิจไม่มีเป็นล่ําเป็นสรนเช่นนี้การอ้างตนว่าเป็นสมณะอย่างชอบแก่เหตุก็มีไม่ได้สําหรับบุคคลทั้งหลายผู้ขาดความสํานึกตนปล่อยปละตนอยู่ด้วยถือว่าสุดแต่คราวเคราะดีหรือร้ายนี้พิสูจนทั้งหลายเป็นการลบล้างอย่างชอบแก่เหตุข้อ3ของเราในสมณะพราหมณ์เหล่าที่มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ นี่แหละีิสูจนทั้งหลายลัทธิเดรธีสามซึ่งบัณฑิตทั้งหลายซักไซไล่เลียงสืบไปสืบไปเท่าไหร่ก็คงยืนอยู่ในหลักอกิริยานะก็คือสรุปแล้วก็ไม่ได้ทําให้เข้าใจชีวิตอะไรมากขึ้นนะนะก็เป็นหลักลักษณะของที่ที่ที่ปฏิเสธการกระทํากิริยานี่แปลว่าการกระทําอากิริยาก็คือการไม่กระทานั่นเองนะ